เกกลามาวจระทุกกะหนึ่งกุศลตะกะเจ็สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอภิยากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย94รูปาวัจระทุกกะ หนึ่งกุชละตึกะเจสบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นพระเหตุตกปัจจัยเหตุกปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปาจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปราวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอัพญากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจใจ95อรูปาวจรทุกระหนึ่งอุสร ะ, ะตุกระ74 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรปาวจรซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นพระเหตุัจจัยให้ตุปัจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอัพยากริปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจัย96ปริยาปันทุกกะ1กุศละเตกกะ75 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องเนืวัตทุกซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่นับเนื่องเนืวัตทุก์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนื่องเนือวัตทุก์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องเนือวัตทุก์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ม่นับเนื้อเนือวัตทุกซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่นับเนื้อเนือวัตทุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอัพยากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย97นิยานิกทุกกะ1กุศละเิดกะ76 สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนําออกจากวัตถุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตถุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระบทที่มีอภิญากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจใจเก้าสิบแปดนิยตทุกกะหนึ่งกุศลตะกุกะเจ็ดสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวาธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตปะปัจจัยมีสองวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัยเหตุตปัจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสองวาระ บทที่มีอภิญากฤิปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัย99สัอุตระทุกกะ1กุศละดึกกะ78สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าซึ่งไม่เป็นกุศล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 บทที่มีอภยากฤตรปเป็นมูลมีสองวาระเท่านั้นด้วยอำนาจปัจจัยหนึ่งรอจารณะทุกกะหนึ่งกุศลตุกกะเจ็ดสิเก้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัต์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสหชาติวาระและถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ80สสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิโดยอารมณปัจจัยอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระ สมณันตรัพปัจใจมีสองวาระนิสยาปัจจัยมีสองวาระอุปาณิสยาปัจจัยมีสองวาระอุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้รณะทุกะ 2. เวทนาตุกกะแปดอสภาวรธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุใ <ma> ห้จัตว์ร <ót ano> ้องไห้ซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จั์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมพยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมพยุด้วยสุขเวทนา อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธิสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธิสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อเหตุตุปัจใจมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสองวาระพระถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระแปดสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตวบร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมยุญด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมยุญด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจใจมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปะจัจจัยสี่วาระหนึ่งร้ระณทุกะสาวิปากติกะ8ปสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นวิปากอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นวิปากเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สอุปาทินติกะแปดสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง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 หนะึ่งร้อระณทุกะหสังขีลิธาถือกะแปดสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่กิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งกิเลสทำให้เจ้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยเหตุถูกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุตุปัจใจมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระแปสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตปัจจมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากัปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งมิใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จร้องไห้ซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ชนทุกกะเจ็ดปีติทุกกะแปดสิบปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้่อนพระเหตุกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธร ร, ร, ร ม, รร ท, ม, รมรรรที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยปีติ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจใจมีสี่วาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตดร้องไห้ซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นพริเเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ซึ่งม่อโสหรค โ, โคตูเปคาอาใสสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่สัตว์ ร, ร้องให้ซึ่งสหรคตูเปคาเกิดขึ้นเพราะเหตุหตุปัจใจเหตุปปัจใจมีสี่วาระอารมณะปัจใจมีสองวาระและถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระหนึ่งรอยารณทุกกะแปทัศนติกะแปสิบเก สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุใ <stack> ห <glowing skeleton ella> ้จ<ส>ัดร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ ซึ่งต si ้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะเก้าทัศนะเหตุติกะเก้าสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักอาใส่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมักเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุก ป, ปัจจัยเหตุกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง ารมาณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที yeah. <im <im ่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จับร้องไห้ซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเบื้องบนสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสรณทุกกะสิบอาจิยะคามิติกะเก้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้ารณทุกกะสิบเอ็ดเซกคาบิกะเกะ้าสิสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตร้องให้ ซึ่งไม่เป็นของเสถ่บุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้ซึ่งเป็นของเสขาบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตวดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสข่บุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของเสข่บุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 หนึ่งร้อยสรณธทุกกะสิบสองปริตตะกะเก้าสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งไม่เป็นปริตตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้ซึ่งเป็นปริตตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจเหตุตุปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งไม่เป uh ็นมหาคต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นมหากตะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอัปปามะนะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งเป็นอัปปามะนะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยเหตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้ารณทุกกะสิบสาปริตา ร, รมนาติกะเก้าส ส, สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีปริตตาเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีปริตตาเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีปริตตาเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีปริตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจให้ตุปปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย สภาวธรรมที่ไม no ่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีมหคตะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งมีมหคตะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีอปปมานะเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ ซึ่งมีอัปมาณเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งรจารณทุกกะสิบสี่หินนักเกะเก้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุ ใ, ตให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ ใ, ตให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 เหตุ u, ปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นชั้นปราณีตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งเป็นชั้นปราณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ100่ง้อย สรณะทุกะสิบห้ามิจฉาเนียตาดุกะเกสหสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่ง <cake> ไ, ja ไม่ใช่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยเหตุตกปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาคารทั้งสองนั้น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 จรณะทุกะสิบหมคคารมณติกกะเกสเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตวรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตวรร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจเหตุปปาใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตุปัจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีมักเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ซึ่งมีมักเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหตุตปัจมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสรณะทุกะสิบเจ็อุปันติุกะเก้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ยังไม่เกิดขึ้นโดยอารมณปัจจัยอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ โอปานิส hmm. so, ยปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่จะเกิดขึ้นแน่นอนโดยอารมณปัจจัย อารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปานินสยปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะสิบแปดอตีตตะิกกะเก้าสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งเป็นอดีตเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นอดีตโดยอารมณปัจจัย ระมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจใจมีสามวาระอุปาณิเสยปัจใจมีสี่วาระสภาวธรรมที่เป็นอนาคตเหมือนกับสภาวธรรมที่เป็นอดีตหนึ่งรจารณทุกะ1ิ 19. อตีตารมณะตุกกะหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สั์ร้องให้ซึ่งไม่ใช่มีอดตธรรมเป็นอารมณ์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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยเหตุ ป, ปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งร้อยสรณทุกกะยี่สิบเอด็ดอาชะตารมณติกะร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สักรร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต้องไห้ซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจใจมีหนึ่งวาระละถึงอ ว, ว, วิคตะปัจจัยมีสองวาระหนึ่งรสารณรทุกกะ22สนิทัสนะตุกกะ ร้อยสองสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจใจทุกปัจใจมีปัจใจละหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้ และที่ไม่เป็นเหตุ ใ, ให้จับร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระณ์ณเหตุตัปัจจัยและณอารมณปัจจัยร้อยสาม สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัจร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนักอรมณ์ปัจจัยย่อ นัเหตุตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอารรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงนักกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนัจาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนัวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงโนวิคตปัจจัยมีสามวาระ สหชาติวาระและถึงสัมยุญตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระร้อส <S. <S สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่ใ <capable>. ช่เ mm ป็นเหตุให้ส mm ัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระสหชาตปปัจจัยมีสามวาระนิสยะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปปัจจัยมีสองวาระกรรมปปัจจัยมีสองวาระวิปากปปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาร ะ, ระจจมกะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจนียุทธาระร้หสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สั์ร้องไห้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทุกไม่ได้โดยสหชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและกรรมปัจจัยมมจจย่ยอนเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระน้าอรมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงโนโอวิคตาปัจจัยมีสามวาระพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ ธรรมานุโลมปั จ, จนินญยทุกกะติกะประทานจบ